บันทึกท้ายเรื่องหลวงตาพาพ่อพ้นนรกโดยคุณหลวงเรื่องของนุ่นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อด้วยความรักข้ามภพข้ามชาติผูกพันกันที่เรียกว่าแกะกันไม่ออกพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วยังมาติดต่อกับลูกด้วยความห่วงใยมาเล่าเรื่องโลกของวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับหลวงตาและลูกสาวนุ่นอายุ26ปี เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณอานวยพิสุทธิ์ินป์และคุณออสหรือคุณอมรอรัตผู้มีหน้าที่การงานที่เลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีนุ่นจบการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีพุทธศักราช2550ปัจจุบันเป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณอานวยผู้เป็นบิดามีอาชีพเป็นทนายรับว่าความทั่วไปส่วนคุณออมารดาของนุ่นเป็นนักเขียน น้าหน่อยเป็นน้องของแม่คุณย่าเป็นมารดาของคุณอํานวยผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่อย่างปกติยกเว้นคุณอํานวยคนเดียวที่เสียชีวิตและเป็นผู้ที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นผมผ่านชีวิตพบกับสิ่งต่างๆมามากมายเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งหลายหนผ่านประสบการณ์เรื่องวิญญาณมาหลายปีแต่ยังไม่เท่ากับเรื่องของหนูนุ่นโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการอ่านการฟัง ลูกศิษย์ทุกคนมีความเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของหลวงตาอย่างมั่นคงการใดๆที่เขาทั้งหลายจะทำได้เพื่อสนองงานของพระหลวงตาของเขาเขาทั้งหลายมีความเต็มตื้นในหัวใจที่จะทุ่มเทความสามารถความพยายามเพื่อเผยพระกิจกรรมของท่านที่บริสุทธิ์เพื่อสองเคราะห์โลกชีช่องทางของการเสียสละร่วมแรงร่วมใจในการทำบุญเพื่อเป็นทุนสำรองบุญในภพนี้และภพหน้า บางครั้งผู้ที่ไปชักชวนผู้คนให้มาร่วมทาบุญต่างก็ได้รับการต้อนรับที่ต่างกันไปแต่ทุกคนก็คิดอยู่เสมอว่าแล้วแต่จริตนิสัยของผู้ถูกชักชวนทุกคนยังยิ้มย้มแจ่มใสที่จะทำงานต่อไปโดยไม่เหน็ดเหนื่อยหากท่านมีเรื่องที่สนใจและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ยินดีตอบคาถามท่านเ ท, ท่าที่สามารถให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ บุคคลทั้งหมดที่กล่าวถึงในเรื่องยังไปวัดป่าบ้านตาดและสวนแสงธรรมเสมอเพื่อเร่งความเพียรหาความสุขสงบของชีวิตที่เหลือหลงชื่อคุณหลวงบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉ